ตอนนี้พาะธรรมวัดเช้าเป็นบทพิเศษส่วนใหญ่ก็มาจากกฎการนิกายเชื่อกันว่ามาจากพระโอษ์ขององค์สนณะารร ม, มจั่วโดยะว่าบทสต้ายปั จ, จิโมวนัน เชื่อว่าผู้ที่ใกล้ตายมักจะไม่พูดโกหกไม่พูดปดมาษาวาจามันจะมีความหมายเป็นคำเตือนให้พวกเราทั้งหลายเกิดความไม่ประมาทําที่ทําให้เกิดความไม่ประมา ท, ท, ท ค, ามมมาคืออะไร ก็คือการมีสติสมัมปจญญาความรู้สึกตัวแต่ละขณะมันคือสติสมัมปจญญานั่นแหละการกรูลัวแต่ละขณะแต่ละขณะมันทำให้เกิด ทำที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นมาการเคลื่อนการไหวมันมีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ห ย, ยาบหยาบไปหาความละเอียดความปลันีตตั้งแต่เราเคลื่อนไหวเองเจรนาเคลื่อนไหวเจตนากระทำ จนทั้งไม่ต้องเจตนาหายใจกระพริบตานี่ไม่ต้องเจตนานเวลาหิวมีกายก็มีเวทนามหิวมีกายก็มีอาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยก็แสดงออกเป็นอาการเป็นความรู้สึกตัวได้เหมือนกัน ไม่กระทำความคิด เ, เวลาคิดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวได้เหมือนกันแต่ละเอียดมีทั้งเราเจตนาคิดและไม่ได้เจตนาคิดตั้งใจคิดและไม่ได้ตั้งใจคิด เ, เราก็จึงมา เ, เห็นมาสัมผัสสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรา อาการต่างๆที่แสดงออกนะความรู้สึกตัวหยาบบ้างละเอียดบ้างผนะ่านการเคลื่อนการไววแต่แลนนะขณนะสติคือตาในก็จะได้นะรู้ได้เห็นนะในเกี่ยวข้องกับอาการเหล่านั้นยังถูกต้องนะเวลาปฏิบัติจึงมีเทคนิคปฏิบัติและอารมณ์ปฏิบัติ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับตัวเราทำให้เราได้สัมผัสกับความจริงของชีวิตเช่นขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ยกมือสร้างจังหวะรู้สึกตัวอยู่เมืองต้นก็เห็นความคิดได้สัมผัสกับความคิด ที่เราไม่ได้ตั้งใจเราตั้งใจเคลื่อนมือตั้งใจเดินกลมมันก็จะมีการหลงเผลอมีความคิดเกิดขึ้นมาคิดในอดีตเอาอดีตมาเป็นความกังวลในอนาคตแล้วก็เอาหลงของอนาคตมาทุกข์ในปัจจุบัน แล้นะของการระลึกบาปเคยทำอะไรไม่ดีมามันก็จะฟุ้งมาในรูปรอยของความคิดถ้าเรามีความรู้สึกตัวก็จะหลงเผลอเข้าไปในความคิดเกิดอาการปรุงแต่งเป็นร่องรอยที่ทำให้เราทุกได้ไหม ถอนหายใจได้ใหม่หายใจไม่ได้รู้ทั่วท้องได้ใหม <_ d ata> กราการสะดุง้งเสียวสันหลังวาดประหวาได้ใหม่ <_ d ata> คิดถึงแล้วก็น้ำตาซึมไม่สบายอกไม่สบายใจนะอันนี้เรียกว่าระลึกสำนึกเป็นบาปเป็นความไม่ดีนะเค็ดลาบ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสร้างจะว่าเหมือนกับเป็นการละลายพฤติกรรมที่แล้วก็แล้วไปแต่ว่าวันนี้กับวันต่อไปเราก็จะเลือกมันก็จะเกิดลักษณะของความคิด เป็นล่องลอยของระลึกบุญอะไรที่เป็นความดีก็จะทําอะไรที่เป็นความดีก็จะคิดอะไรที่เป็นความดีก็จะพูดแสดงออกเพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยล่องลอยที่เราคิดถึงมากที่สุดคือคิดถึงนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ คิดถึงความดีของคนในโลกนะที่เป็นปุจนียบุคคลเป็นต้นแบบที่ใกล้ตัวเราที่เราได้สัมผัสจะนึกถึงความดีนะแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตนก็เป็นรูปรอยของการคิดของความคิดที่มันเป็นการสำนึก เป็นการระลึกอะไรดีอะไรชั่วบางทีมันก็เกิดาการสะดุง้งสงสารตัวเองรอยต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตผ่านมาได้อย่างไรมันรู้สึก ตึงบุญนคุณนะที่เวลาที่ผ่านมาทำให้ประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันผลักดันความทุกข์ในชีวิตมันผลักดันจนให้เข้าวัดเข้าวานะเหมือนกันหนีร้อนมาพึ่งเย็นเหมือนกับเกิดทางตันขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาไปไม่ถูกนะแต่ว่า ท้ายสุดมันก็ม่ทางออกจนได้เมื่อจะเกิดอาการเห็นคุณเห็นค่าขึ้นมาแล้วมันก็จะนึกถึงผู้ที่มีความอุปการะผู้ที่อุปการะเราไม่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าครูบาอาจารยา์กัลยาณมิตรไม่กระั่งสิ่งแวดล้อมก็ตามเป็นวัตถุสาลาอาคาร มากมายเหลือเกินที่ทาให้เราเกิดความรู้สึกว่าอยากเกี่ยวข้องเป็นการตอบแทนเป็นการกระตันยูตอบบางทีหนังสือหนังหาที่เราได้อ่านมันทำให้เกิดความดีความงามขึ้นมาเป็นร่องรอยทำให้ชีวิตมันเหมือนกับว่าเดินทางแล้วมีกำลังใจ ที่นำโยนั่งเราได้เกิดการกระทา เ, เกิดการปฏิบัติธรรมได้มานั่งสร้างจังหวะได้มานั่งดูลมหายใจได้มาเดินจงกรมมันก็จะขัันอยู่ต่อขึ้นมาศสาร า, าสิ่งต้นไม้ใบหญ้าเห็นเราเกิดบุญเห็นลงครัวลงทานเห็นอะไรก็ตามที่มันช่วยได้มันจะช่วยทันที ว, วบนเกิดจากการขวนขวายจิตอาสาวัยยาว่าจะไม่มันจะเกิดมาเองเลยจากภายในขนขวายแล้วกการสั่งตัวเองเวลาเดินมันจะสมนึกนเกิดการระลึกขึ้นมามันก็คือความคิดทั้งคู่ลองรอยของดีก็คือคิด ร่องรอยของไม่ดีนะที่มันแสดงออกมาก็คือคิดเราก็ตัดกลับมาหาความรู้สึกตัวเป็นองค์ของภาวนาล้วนๆภาวนาคือขยันรู้รู้ถูกเมื่อเราเดินเราเคลื่อนไหวเราก็รู้ในอาการที่ปรากฏเฉพาะหน้าเรียกวกรรมฐาน มันเห็นธรรมชาติของกายอาการของกายธรรมชาติของจิตอาการของจิตแสดงออกมันก็เป็นการสัมผัสรู้ระลึกรู้ตรงๆที่ไม่ใช่คิดรู้ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาปล่อยวางขึ้นไปจิตก็ปกติไปเรื่อยๆ มันจะรู้รูปธรรมรู้นามธรรมมันจะค่อยรู้ทันความคิดม่อสติเด่นมากเข้าความเป็นโปรตีเด่นมากเข้าสมาธิมีมากเข้ามันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาคำนะว่าเกิดปัญญาขึ้นมาในระดับที่เรียกว่ามันสามารถนะ เห็นกายเป็นรูปธรรมเห็นจิตเห็นใจเป็นนามธรรมเห็นตัวสติปาวาของผู้ดูที่มันเด่นออกมาแยกตัวออกมาการแยกตัวครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมีผลต่อชีวิตของเรามันรู้สึกว่ามีการกระทบกระเทือนอย่างยิ่งใหญ่ มันเกิดการเดินทางกึนมามันละชั่วมันทำดีจิตบริสุทธิ์เมื่อก่อนมันมีการปลอมแปลงปนมีความคิดเกิดขึ้นมาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คมสัมผัสรู้มันรู้ตรงๆแล้วรู้ถูกมันก็เห็นกายของเราตอนตะหูว่าจะลดเท้า บางทีเราไม่เคยเห็นว่าตามันกระพริบอยู่เราไม่เคยรู้สึกเราไม่เคยรู้สึกว่ามันหายใจอยู่ใจของเราไปอยู่กับความคิดเราไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ไม่รู้ว่าเราเดินอยู่ความมหัศจรรย์ของชีวิตเราคือรู้ว่าขนาเนี้เรานั่งอยู่ รู้ว่ายือนอยู่เดินอยู่อดีตอนาคตนั่นมันเป็นของไม่จริงปัญญากันกหนะเนี่ยมันจริงมาเรารู้สึกตัวการนั่งการเดินการยืนการนอนเป็นปัญญากันกหนะ สิ่งหนึ่งให้สังเกตความคิดที่เคยทำให้เราทักมหนหายไปไหนลองสังเกต ด, ดูนะมันจะเห็นอารมณ์เห็นอาการที่เป็นปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าพอเรารู้สึกตัวปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการปล่อยวางทันทีทุกครั้งที่เรารู้เท่ารู้ทันอาการรู้เท่ารู้ทันอารมณ์ มันจะบอกถึงมรรคผลนิพพานทันทีอาการที่แสดงออกมามันเป็นเพียงแค่อาการความคิดนะที่มันเป็นอารมณ์ของวิพาวิจารวิโต ว, วิจารจะถูกรู้เท่ารู้ทนันแล้วกายเป็นแค่สมมุติกลายเป็นแค่บัญญัต และสมม ต, ญญติวัญญัตัวนั้นเป็นปรากฏการณ์เป็นสมมติฐานที่ทำให้เกิดความทุกข์แต่หากเราหลงเผลอเข้าไปไม่รู้สึกตัวมันจะเป็นสมมติวัญญตัตแต่พอเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะเห็นเป็นอีกแบบหนึ่ง มาเห็นาการของจิตคิดเนีเห็นเฉยๆเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นในความคิดต่างๆมันก็แปลกจริงๆมันก็ไม่แปลกว่ามันเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติและธรรมชาติมันก็ยิ่งใหญ่มากตัวสติมันก็คือธรรมชาตินะ เป็นธรรมชาติของสติของการะระลึกรู้สมาธิมันก็คือธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติของตัวสตินั่นแหละที่มันทําหน้าที่นะระลึกรู้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดความตั้งมั่นขึ้นมันก็เห็นนะปัจจุบันขณะที่มันมีอาการต่างๆที่กายที่ใจ เป็นรูปธรรมนามธรรมต่างๆแสดงออกมันก็มีกฎของธรรมชาติด้วยนอาการต่างๆมันสแสดงออกเป็นอาการเกิดดับเกิดดับเกิดดับตียิบเลยมันก็จะมีปัญญาเห็นแบบเนี้สัมผัสรู้แบบนี้อะไรทั้งหลายทั้งปวงไม่มีแน่นอนสักอย่างไอ้ที่ว่าแน่ก็ไม่แน่ที่ว่าไม่แน่ก็แน่ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไอ้ที่ว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนมันเป็นอาการที่แสดงออกมาทั้งหมดเลยสัมผัสได้ทันทีที่กายของเราที่จิตที่ใจของเราเราเคยยึดเคยถือหลงเปลือกไปในอาการต่างๆเพราะว่า เราไม่เคยฝึกหัดความรู้สึกตัวกันทำไมถึงไม่เคยฝึกหัดความรู้สึกตัวเพราะว่าโลกนี้มันมีสีสันรสชาติของอารมณ์มันรุนแรงเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ทุกข์มากพอทุกกายทุกใจ ที่จริงมันก็คือครูที่ดีที่สุดของเรามันบอกถึงทิศทางของชีวิตของเราหรือเรียกจริงก็คือเทวทูตสี่เทวทูตสี่เนี่ยจะชี้นำบอกทิศบอกทางที่เราควรจะเดินต่อไปเช่นร่างกายของเรามีความแก่ เอียบทนั่งเนี่ยนั่งนานมันก็แก่นะเริ่มต้นนั่งมันก็ดีพอนั่งไปสักพักมันก็เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาพอท้ายสุดมันก็แก่ชรลาภาพแล้วมันก็ปวดก็เมื่อยเต็มที่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเอียบทไปรู้เวทนาอาการของกายเจ็บปวดมากๆทรมิสติมากๆ เราก็อาจจะไม่ต้องผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขเขานะก็จะเห็นว่าอาการเจ็บปวดมาเองก็หายเองก็มีเหมือนกันเจ็บมากๆปวดมากๆนะมันกลายเป็นว่าเหนือเจ็บเหนะือปวดมันก็มนะีอันนี้เหมาะที่จะไว้ใช้ในห้องไอซียูเวลาขับขันขึ้นมาเกิดจะต้องมีเอียบอดเอียบอดเดียวนิ่ง ยกตัวอย่างเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสมมติในโรงพยาบาลต้องไปนอนแล้วก็เอาน็อตร้อยที่กรโลกแล้วก็ดึงด้วยน้ำหนักสักห้าหกกิโลเจ็ดกิโลอย่างนี้หนึ่งหนึ่งมันก็จะผ่านเวทนาเจ็บปวดเพราะเคยฝึกมาแล้วอย่างน้นอยที่วัดปา่าโสตโตเตคอดเนี้ย เนอ้อเวทนามันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่ก็มีความหมายอยู่คือเป็นสัญญาณภัยมีไว้ปกป้องมีไว้ป้องกันตัวกายให้กายนี้ดำรงอยู่รอดปลอดภัยมีอาการ32ครบมันก็จะเห็นอาการเหล่านี้เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดา ไม่โอ้ยไม่อ่อนแอไม่เปลาะบางนะมีความเข้มแข็งอดทนจนกระทั่งไม่ต้องทนนะเป็นเรื่องธรรมดารรมดาของนักปฏิบัติที่เห็นแล้วเห็นอีกดูแล้วดูอีกจนเกิดความชำนาญเห็นปั๊บผ่านปุ๊บเลยเดินทางต่อทันทีนะนะแต่ว่าวิธีหลวงพู่เทียนนี้ดี นั่งปฏิบัติเราไม่ต้องทนจนเกิดอาการเคล็ดลาบพอจะนั่งปฏิวัติธรรมก็กลัวจิตแยงหลวงพ่อเทียนบอกให้นั่งยังไงก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งเหยียดเท้ายังไงก็ได้แต่ว่าเคลื่อนมือสิบสี่จังหวะรู้สึกตัวไม่ต้องนั่งขัดสมาทิเพชต น, นั่งขัดสมะ เป็นนั่งพับเพียบอย่างเดียวอิบทไหนก็ได้เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องมีสติแต่ละเหตุบทที่กําลังขยับแต่ละจังหวะที่กำลังขยับต้องมีสติแล้วก็รู้สึกตัวเราจะเห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปรูปธรรมนามธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไป มจะเห็นมันก็ที่เมื่อกี้เราสวดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันไม่แน่เมื่อจะเห็นของยับยากไปหาของละเอียดที่เราผลิตขึ้นมาในระยาบสุดๆเจตนาเคลื่อนไหวของยาบสุดๆเห็นกายในยาบสุดๆ ปัมยาการเกิดขึ้นมามันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันตัวสติตัวเดิมตาในตาสติตาปัญญาเห็นของเดิมๆซ้าๆจนเกิดความชำนาญจริงๆก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะการปรยิยัติธรรมพฤติของกรรมนะพฤติกรรมมันจะกลายเป็นธรรมะธรรมชาติ ตรงนี้แหละพอมันเห็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวแล้วจะเกิดการปล่อยการวางขึ้นมาจริงๆมันจะไม่ใช่ภาษาพูดหรือว่าภาษาในหนังสือมันจะเป็นการกระทาของเราที่มันตอบได้ตัวของมันเองเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์มันทุกข์จริงๆนะร่างกายของเราเนี่ย นั่งเดินยืนนอนมันเป็นวิบวิวิี่แก้ทุกตลอดเวลากระตุ้ตาหายใจการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะเป็นทุกจริงๆเรียกว่าทุกขังใครมีร่างกายในทุกทกคนบอกว่าไม่ทุกมันทุกต้องกินต้องกับถ่ายต้องเกี่ยวข้องกับเขาตลอดเวลาเวลาต้องนอนต้องตื่นแปลงฟันร่างหน้าเราก็ได้เห็นแล้วอ๋อมันใช่จริงๆ จิตคิดนี่สําคัญมันเป็นทุกขอริยสัจสความคิดเนี่ยทุกขสมุทัยนิโรธมรรคทุกข์อริยสัจเกิดในจิตเวลามันคิดเก่งคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปคิดเป็นสุขคิดเป็นทุกขเกิดดับที่ยิบในเฉพาความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจหลวงพ่อเขียนนะ ถ้ามีภาษาพูดว่าจิต ส, สัมศนจิตใจของเรา ส, สัมศนเป็นโสเพณีจิตจะคิดอะไรก็ได้คิดให้รักก็รักคิดให้ชังก็ชังคิดให้โลบ ก, ก็โลบคิดให้หลงก็หลงเป็นโสเพณีจิตจิต ส, สัมสน์อันนี้แหละคืออาการของจิตที่เรียกว่าทุกขยศสี่ 4. คิดแล้วโลกคิดแล้วโกรคิดแล้วหลงเราไม่เคยเห็นพอมาพไปทำเจริญสติเราก็ออกเริ่มได้เห็นอนาะการที่จิตมันคิดวาบไวลืมเนื้อลืมตัวเข้าไปในวังวนอดีตอนาคตปุงแต่งยิ่งคิดยิ่งดินยิงรัดยิงแก้ปัญหาด้วยการคิดมันก็ไม่พบทางออกสักที ทั้งกายนะที่เป็นก้อนทุกข์ทั้งจิตใจนะที่เป็นสภาวะทุกขนะ์เป็นอาการของจิตต่างๆล้วแล้วแต่เกิดดับทั้งหมดก็เรียกว่าทุกข์ในพระไตรลักษณนะ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็ลัดๆัดจั้จนๆะแต่เห็นกาย เคลื่อนไหวตามความเป็นจริงเห็นจิตใจที่มันเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงมนรัดรัดสั้นสั้นมันไม่ต้องมาหาเหตุหาผลาอะไรเลยนะการประหยัดทำไม่ต้องใช้สมองในสมัยพุทธกาลนีส่วนใหญ่ใจคนก็เป็นปกติอยู่เช่นก็มีคำอ้างหรือว่ามีคํารคำบันทึกนะประโยคที่บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกว่าเคยมีภาษารีบ ภาษาลิบุตรกพระโมกลาเนี่ยตอนที่เป็นโยมเป็นหน่มเจ้าสำลานได้เจอกับพระอาสชิพระอสชินี่เป็นน้องเล็กสุดของปัญจวัคคีเสร็จแล้วรู้ธรรมะหลังสุดระหว่างที่รู้ธรรมะแล้วก็บวชออกบวชก็ถือบาทบินทบาท กระดที่ถือบาทปิธฑบาตสาลีบุตรกะ ด, ดนั้นมาพบเข้าโอ้ทำไมดูงดงามดูสำรวมเยือกเย็ยนก็เลยเข้าไปสอบถามว่าท่านรู้ธรรมอันใดใครเป็นครูอาจารย์ของท่านเหรือพระสาชีิก็บอกว่าเราเป็นพระบวตใหม่ สแสดงธรรมหรือพูดธรรมะไม่ได้มากหรอกสารีบุตรก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันบอก น, น้อยๆนะแต่ขอให้มีสาระหรือว่าจะบอกมากๆ ก, ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านภาสจีก็เลยบอกว่า เยธรรมมาเหตุปปาวาเตสันเหตุตตากะโตเตสันจารโิโยโตจ่าเอวังวาติมหาสัมโนนเป็นภาษาบาลีนะภาษาไทยก็แปลว่าสมปณะเป็นครูของเราก็คือสมณะโคดมนะเป็นครูของเราท่านสอนว่า ทำทุกสิ่งนั้นเกิดแต่เหตุทรงบอกสาเหตุของธรรมเหล่านั้นและบอกสาเหตุของการดับไปของธรรมเหล่านั้นมหาสารณามีวาทาอย่างนี้แหละก็คือทุกสิ่งทุกสิ่ ง, งเกิดแต่เหตุถ้าจะดับก็ดับที่เหตุเมื่อทุกเกิดที่ใจเราก็ต้องดับที่จิตที่ใจของเรา รู้พบความคิดก็ต้องแก้กันตรงนั้นแหละความคิดทำให้เราทุกข์ถ้าคิดไม่เป็นถ้าถ้าหลงเผลอก็ปนนกไปในความคิดเรียกว่าตัณหาเราไปยึดความคิดแล้วอุปาทานตัวตัณหาตัวอุปาทานเนี่ยแหละมันคือต้นเหตุ ไม่เกิดความทุกข์ต่างๆมากมายแล้วเกินตอนนี้ถ้าพอเราตายถ้าแม่เราตายทางงานของเรามันล้มละลายหรือว่าถูกด้วยขาเขายีไปโดนไล่ออกเราก็ทุกข์เราเป็นมะเร็งเราป่วยเราก็ทุกข์ รถเราถูกชนบ้านเราไฟไหม้เราก็ทุกแต่ถ้าเป็นคนอื่นคนอื่นก็เจ้งคนอื่นก็ล้มละลายคนอื่นก็ตายเราจะรู้สึกเฉยๆอันนี้เราคือเราไปยึดว่าเป็นของกูเป็นของเราความคิดของเราร่างกายของเราองค์สมเด็จสัมมาจ้าเลยบอกว่าเนี่ยอย่าประมาทนะ ขันตฐานในพิกเวียมันตายามิโออย่าประมาทกันให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแบบนี้เรารู้แล้วว่าทำที่จะทำให้เกิดความไม่ประมาทคือตัวสติที่เป็นสติปัฏฐานที่เกิดมาจากความรู้สึกตัว เกิดมาจากการเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกายในกายไม่ใช่ศัตรูตนบุคคลเราเขาเห็นเวทนาตามความเป็นจริงเห็นเวทนาศัพรว่าเวทนาไม่ใช่ศัตรูตนบุคคลเราเขาศุขทุกข์ที่มันมีน่ยไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่การตีความการตีความของความคิดเห็นจิตในจิต ไม่ใช่ศัตว์ตนบุคคลเราเขาจิตในจิตจิตเดิมแท้กับจิตที่มันแสดงออกมาเป็นอาการต่างๆเห็นเห็นจิตในจิตมีสติเห็นจิตเนี่ยท้ายสุดกิคมีสติเห็นธรรมชาติต่างๆทั้งภายนอกและภายใน ลบลกินเสียงต่างๆภายในก็คือศีลสติสมาธิปัญญาคุณธรรมต่างๆกุศลธรรมอกุศลธรรมเราก็เลือกเป็นอะไรที่เป็นความดีความงามสันทิสสงสันทิภาพเราก็เลือกทำหน้าที่นั้นๆก็เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อไปเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนที่ไหนก็ไม่ได้วันไหวอะไรจะคิดจะพูดจะทำอะไรเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นความรู้สึกตัวต่อขณะมีความหมายเป็นทั้งเบื้องต้นและท้ายสุดนก็คือสภาวะของ ธรรมชาติแท้ๆ ท, ที่มันเป็นที่สุดของธรรมชาติเหมือนเมื่อคืนที่เราได้ดูหลวงพ่อข เ, เขียนกันท่านผู้เรามาเลยว่าที่สุดของการสแสวงหาที่สุดของการเปียรรมแล้วก็สุดของคํารพูดก็คือไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรทั้งหมด จะเป็นก็เป็นเช่นนั้นเองโรกทั้งใบต่อให้เป็นกี่ล้านปีก็ตามมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์เราก็จึงมาฝึกเพื่อที่เห็นความจริงที่มันไม่ได้ปกปิดหรือว่าซ่อนเล้นอําพลางเราแต่อย่างใด เมืเราลืมหูลืมตามีตาไหนก็จะได้สัมผัสแล้วนะประเด็นวันนี้นะกลุ่มที่มาปฏิบัติทั้งหมดนะก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติตั้งแต่เช้าหลังจากที่เราทำบัตส่วนนเสร็จพรนะไหว้พระเสร็จเราจะแยกย้ายกันลงสู่ฐานปฏิบัติตามกันต่อไปเพื่อเราได้เห็นนะกายตามความเป็นจริง มันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกยังไงมันไม่ใช่ตัวตนยังไงจิตของเราเหมือนกันมันคิดนะมันไม่เที่ยงยังไงความคิดของเรายึดถือได้ไหมจับต้องได้ไหมมันมีความเป็นทุกอย่างไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยังไงความคิดนะตเอายึดเอาความคิดเป็นตัวเรากว่าน้าเหลว กลายเป็นเรื่องของการไม่เปิดในของที่ปิดการไม่หงายของที่เป็นกั้มเราต้องเปิดเผยออกมาคิดเป็นบุญเราก็ไม่เอาคิดเป็นบาปเราก็ไม่เอาแต่ว่าไม่ห้ามความคิดเปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็เหลืออย่างเดียวคือรู้สึกเดินจงกรมรู้สึกนั่งสร้างจังหวะรู้สึก หันซ้ายหันกว่ารู้สึกรับประทานอาหารเหมือนกันก็รู้สึกจะเข้าห้องน้ําห้องท่ารู้สึกเก็บเกี่ยวให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงจนครบวันกลับ้วพิสูจน์ดูว่าคําสอนของเจ้านะ่ะเป็นจริงหรือเปล่ามันเป็นสัจจความจริงทีนะ่มีอยู่ในตัวเราแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันเมื่อใดก็ตาม มีปัญญายก็สามารถเห็นได้อนาคตนี้เห็นว่าสมควรกันเวลาเราการพัฒพร้อมกัน